พุทธวิทยาเล่มหนึ่งพุทธปรัชญาฉบับพิสดารบทที่หนึ่งปฏิจจสมุปบาทข้อธรรมใดเล่าที่พระพุทธองค์ทรงพิจารณาใครครวนมากที่สุดตลอดเวลาที่ทรงแสวงหาโพธิญาณข้อธรรมใดเล่าที่พระพุทธองค์ทรงพิจารณาใครครวนตลอดยามที่สามในคืนวันตรัสรู้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 กุตโพธ์ดังต่อไปนี้จะแสะดงให้เห็น